ภิกษ um, so ุมีอาหารที่รับนิมนต์ไว้ที่ชื่อว่าภิกษุมีอยู่คือภิกษุที่อาจบอกลาก่อนเข้าบ้านได้ที่ชื่อว่าภิกษุไม่มีอยู่คือภิกษุที่ไม่อาจบอกลาก่อนเข้าบ้านได้ที่ชื่อว่าก่อนเวลาฉันพัตทหารคือภิกษุยังไม่ได้ฉันพัะทหารที่รับนิมนต์ไว้ที่ชื่อว่าหลังเวลาฉันพัะทหารคือภิกษุฉันพัะทหารที่รับนิมนต์ไว้โดยที่สุดฉันด้วยใช้ปลายญาคาแตกที่ชื่อว่าตระกูลหมายถึง ตระกูล4ี่ได้แก่ตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ตระกูลแพทย์และตระกูลสูตรคำว่าเที่ยวสัญจรไปในตระกูลทั้งหลายความว่าภิกษุเก้าเข้าอุปจาร์เรือนของผู้อื่นต้องอบัตทุกกฎก้าเท้าที่หนึ่งล่วงธรณีประตูต้องอบัตทุกกฎเก้าเท้าที่สองต้องอบัตปาจิตตีคำว่านอกสมัยคือยกเว้นสมัยที่ชื่อว่าสมัยที่ถวายจีวรคือ เมื่อยังไม่ได้กรานกฐินกำหนดเอาเดือนท้ายแห่งฤดูฝนเมื่อกรานกฐินแล้วมีกำหนดเวลาห้าเดือนที่ชื่อว่าสมัยที่ทำจีวอนคือเมื่อภิกษุกำลังทำจีวอน